อนาปติวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ379 1. ้ิกภิกษุสร้างเงื้อมผามีประตู2อภิกษุตกแต่งถ้ำสามภิกษุสร้างกุฎีหญ้า4ีภิกษุสร้างวิหารเพื่อภิกษุอื่น5้ภิกษุสร้างอาคารนอกจากนั้นยกเว้นอาคารที่พักของตน 6. กภิกษุวิกลจริตเจ็ภิกษุต้นบัญญัติวิหาร ระการลิศิขาบทที่7จบ